ก็พราะราชการจะมีปุบลูกคับผมพอยเจรนญพอยังไม่ทีนะ้วก็ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่มาทำงานงานรักสังการของพ่อขงเกียนตุกรบวนธรรมปมาก็มาอยู่ที่นี่ก็สามปีครับนองยมสามปีก็มาช่วยงานของพ่อ อดแต่ก่อนก็ อ, อยู่สุขรนะตน้องพ่อของพ่อก็ถือว่าอ่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะ้อก็ถือว่าอ่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดทางพระอัปะจะมานะก็ถือว่าเป็นผู้กุศลอุปชาอาจารย์ที่อัปจะมาก็ได้มาป่วยกับหลวงพ่อนะก่อนที่จะมาจะรู้จักหลวงพ่อก็ ย้อนไ ป, ป 3, 8, 3, นที่สามแปดสามเก้าที่เคยมีครับ เ, เป็นคนที่อยู่บ้านท้ามรถไฟหวานนะแต่ก่อนก็อไปบวชแล้วก็ไปอยู่ที่อาเภอบ้านไทถ่บ้านอาตมาที่อำเภอบ้านไท่ก็ได้ไปอยู่ที่วัดบ้านอัตมาตอนนั้นอัตมาก็ บวชบวชตามโมเพนีก็ยี่สิบปีก็บวชนก็เลยได้รู้จักกับกับพระที่อยู่บ้านที่อยู่บ้านท่ามะไซหวานนี่นะท่านเข้าไปจำสายที่ว่าท่านก็เลยเป็นก็เลยว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะอย่ที่บวัดป่าบ้านอาตมาก็ท่านก็ได้สั่งก็ได้สอนอาตมาก็ได้แนะนํานะ ได้พากันนั่งปฏิบัติแล้วกท่านก็เลยแนะนำให้ขึ้นมาหาหลวงพ่อก็ลหลังจาก น, นั้นก็ในร่วมกันมาหาหลวงพ่อก็ขอเป็นลูกศิษย์ของพ่อก็เป็นอาตมา ก, ก็ผมเองก็ไม่เคยเราไม่เคยที่จะไปห า, ห า, หาผูบาอาจารย์ที่ไหนก็ถือว่าหลวงพ่อเป็นผูบาอาจารย์องค์แรก ได้รู้จักหลวงพ่อก็ปีสามเก้าก็ได้เป็นสรรษาที่สุขโขทัยก็พาดันขึ้นมากับพร้อมกับพระเพื่อนสหาธรรมพระอาารสุกันแล้วก็อาคิตยองมาทุกคนก็คงจะรู้ทที่หมู่บานทางวิวานก็พ้องกันขึ้นมาที่จํารนตาที่สุขโขทัยแล้วก็มาปีนั้นก็หลวงปู่ ท่านทั้งคุณมหาไหลนะท่านมาจากสหรัฐอเมริกาท่านก็ไปเป็นเ้าวัดอยู่ที่นู้นแล้วก็ท่านได้มาลวงพ่อไปสอนธรรมที่สหรัฐแล้วก็ท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็รู้สึกว่าวิธีการปฏิบัติธรรมง่ายแล้วก็ท่านก็เลยสนใจแล้วก็ท่านก็เลยลาออกจากเป็นเ้าวัดแล้วก็กลับม า, ากบำเพ็ญตถาคต ปีนั้นก็มีพระจำพรรษาด้วยกันน่าจะก้าวโลกหรือติดโลกประมาณนั้นก็ได้ปฏิบัติกันปีนั้นก็มีหลายรูปนะก็มันก็นานพนาว่าจำไม่ได้เท่าไหร่นะว่ามีโรคไหนข้างแต่ก็อยู่ประมาณแปดเก้าโลกก็จัพรษาหรือที่สุโขทเนาะหลังจากท่านก็ปอบพรรษาแล้วเนาะ สอบษาแล้วก็ได้หลวงปู่ท่านเจ้าคุณมหาไหลทันก็ได้ป เ, เปิดป เ, เปิดเป็นสนักศ่าชาหรือว่าเป็นสนรปฏิบัติธรรมไปตั้งวัดก็ว่าได้นะไปปลูกเปิ ด, ปดอยู่ที่ป่าชาบ้านท่านาท่านก็เลยเชวนพัะที่ไปอยูด้วยนะประการสุร ก, กันเพราะว่าที่ต่องมา <c oughs> ตอนนั้นก็ไปอยู่กับหลวงปู่มหาไหลแระสัมมาก็ได้เดินทางไปกลับบ้านไปนะหลังจากตอนนั้นที่ได้รู้จักอที่ได้รู้จักหลวงพ่ อ, อตอนที่มาใหม่ๆนะก็ที่มาพบหลวงพ่อใหม่ๆนี้เราอาจารย์ท่านพามาพามาแล้วก็ท่านประสงแล้วก็ท่านก็กลับไปเนาะปล่อยให้อเ น, น อันนี้ตอนที่ก่อนจะเข้าไปสุปรตท่านก็ให้มาอยู่ที่ข้ามาไปมาปล่อยไว้ที่อาตมามาปล่อยอาตมาไว้อยู่ที่รูปเดียวแล้วท่านก็กลับบ้านไปที่ขอนแก่นะอาตมาก็ ท, ทําไงดีก็ให้เค ป, ปฏิบัติสติก็เป็นพระใหม่ๆพระหนุ่มนาะครัก็มาอยู่หลงพ่อไม่ทราบหลวงพ่อมาขอปฏิบัติหลวงพ่อแล้วก็ไม่ยนสอนอะไรนะผมว่า ที่เลยว่าโน่นทางเดินจมกรมนะแล้วก็ให้เดินเดินจมกรมเดินต่อไปกลับมากลัไปกลับมาอาตมาก็เดินจมกรมจำได้ครับเดินอยู่ด้านหลังหลังโบสถ์จะเป็นทางเดินจมกรมอ่าเลยก่อนที่จะออกจากรั้วไปนะเขาไปปัดขนทางเดินจมกรมเดินเดินกลับไปกลับมา วันหน no ึ่งก็เดินไม่รู้อะไรเลยนําเดินจมไม่รู้อะไรเลยไม่จัดเครียดแล้วก็ปวดหัวนะฮะไม่รู้จะเดินเดินแบบไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อบอกว่าให้เดินหลวงพ่อบอกว่าอะไรอะไรบอกว่าให้เดินเต้นเต้นจังกรมอ่าเราก็เดินก็หลงพ่อก็ไม่อยู่ด้วยทางพ่อก็ไปอ่าไปเที่ยวไปอ่าไปภูลาข้างล่างนะแล้ว หลพ่อตอนเย็นหลงพ่อกลับมาหลวพ่อก็เห็นเห็นเราเดินจนกลมอยู่หลวงพ่อก็คงจะรู้ว่าอเราก็คงจะทําให้ถูกดูหน้าตาเคร่งเครียดนะดูหน้าตาเคร่งเรียดหลพ่อก็ถามว่าเป็นยังไงเราก็บอกแต่มาเองก็บอกสลพ่อว่าปวดหัวครับหลวพ่อไม่เห็นอะไรเลยครับไม่รู้อะไรเลยครับหลวงพ่อปวดหัวปวดม้อยยางยวอน แล้วก็ง่วงทั้งง่วงทั้งเมินทั้งอะไรก็ไปเลยบอกไม่ถูกหลวงพ่อก็บอกว่าทำสบายๆถ้ามันดูท้องฟ้าดูต้นไม้ดูอะไรให้เดินแบบสบายๆเดินมองหน้าผ่มองหน้าทําตาทํันตาทานเดินสายต า, าไปูไกลๆเวลาอมันม่วงอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็นนแนะนำวันหลังเราก็ทํทาทําตามที่หลวงพ่อบอก แล้วก็ทําได้นะแม้แต่ว่าหลวงพว่อคงจะให้เราไปทําดูก่อนอยากให้เราเห็นเห็นเองว่าอมันเป็นยังไงแล้วหลวงพ่อก็จ ะ, ะแนะนําวิธีการนะิบัติในนี้คิดเองนะะเปิด <c oughs> เทานั้นก็อเดินเป็นนะก็รู้สึกว่าเออวิธีการหลวงพ่ออแนะนําให้เราเราก็คลายนะคลายออกจากการที่เราเคร่งเนานะ บางทีคนปฏิบัติแบบปฏิบัติธรรมก็อยากจะได้นะอยากจะเอานะอยากจะบรรลุธรรมอ่างเงี้ยนะอยากจะทาวันเดียวให้จบไปเลยทําวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยนะก็หลายคนเกิดปฏิบัติธรรมก็อยากจะได้อย่างนั้นมืนกับใจใ จ, ใจที่อยากปฏิบัติด้วยความอยากเราก็คิดว่าเออการปฏิบัติธรรมเราต้องเอาให้ได้นะภายในอ่า เดือนหนึ่งสามเดือนสามปีอย่างเนี้ยเราก็จะกําหนดแบบนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้นะเราก็อหลังจากนั้นก็ปฏิบัติแบบสบายๆนะหลังจากนั้นก็อลวงพ่ อ, อ, อจำได้เลยว่าหงพ่อก็จะมีรถตู้นะรถตู้สีขาวรถตู้สีขาวเวลามีงานปฏิบัติธรรมที่สายงานหลวงพ่อก็จะชวนอ่าชวนครับ ชวนชาวบ้านอไปร่วมปฏิบัติธรรมที่ต่างๆเขาจะมาจำได้ว่าหลวงพ่อชวนทั้งแรกไปที่วัดในบ้านหนองมะเขือนะปฏิบัติธรรมที่บ้านหนองมะเขือก็ได้ไปปักกฎนะปักกฎที่บ้านหนองมะเขืออแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกับชาวบ้านที่นู่นนะก็หลวงพ่อก็ไป พัก ท, ที่นูน่นพักที่บ้านหนองเกลือแล้วก็สอนทำด้วยนะเราก็ไปปฏิบัติทำแล้วก็ไปฟังทำไปร่วมกับปฏิบัติทำกับญาติโยมที่บ้านหนองเกลือกันได้นะฮแต่ตอนก็ไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนนะเราก็จะงองๆอยู่ฮพอพอขึ้นมาอีกทีออเราจำได้ว่าวันนี้เราเคยมาปฏิบัติทำบ้านหนองเกือนะอหลังจากนั้นก็พ่าก็จะพาอ่าพาพาเราไป ที่ต่างๆแบบนั้นก็ชวนหลวงพ่อก็จะชวนไปปฏิบัติสุขโตบ้างอย่างนี้นะแล้วก็จะชวนปฏิบัติสุขโตบ้างแล้วก็ชวนไปตามสายงานบ้างนะก็ได้นึกถึงหลวงพ่ อ, เ, อเวลาที่หลวงพ่อก็จะพาเราไปปฏิบัติที่ต่างๆนะแล้วก็หลวงพ่อก็จะอยู่ให้เราเห็นนะอยู่แบบเรียบง่ายเนาะบางทีหลวงพ่อก็ ไม่มีอะไรยุ่งยากในการที่เด็กหลวงพ่อจะนอนนะมีภาพน้ําผืนเดียวหรือว่ามีกลดกับมงอันเดียวหลวงพ่อก็เข้าไปตามป่านั้นะตามกระท่อมตามอะไรที่เรียบง่ายไมได้อไม่ได้ยุ่งยากไม่้มีเวลาไปวัดที่ต่งางๆก็ไม่ต้องเาอาอไม่ต้องมีกุติรับรองพระเทรไม่ต้องมีอะไรนะหลวงพ่อก็อยู่ให้เรา เห็นอยู่แบบอตามสรรมชาติก็เราก็เห็นหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อก็อยู่ให้เราสบายสบายบางทีญาติโยมมาหาหลวงพ่อไม่เห็นหลวงพ่อหลวงพ่อนอนอยู่ข้างโขงน้ํานอนข้างอยู่โขงน้ําข้างกอไผ่บางทีญาติโยมก็มาถามว่าหลวงพ่อไปอยู่ที่หลวงพ่อก็จะมีเรือนไทยที่วัดสุประตูนะก็จะเห็นเรือนไทยแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่หลวงพ่อนอนอยู่ข้างกอไผ่นอนนอนอยู่ข้างโขงน้ํา บางทีก็เดินสวนกระไดเดนสวนกระมาไม่เห็นหลพ่อนึกเห็นตอนครั้งที่ไปอ่าสุขโตนะสุขโตแต่ก่อนก็จะมีเล้าไก่นะเล้าไก่ที่ข้างตาลาไก่ออัตมาจําได้อ่าอัตมานอนอยู่บนตาลาไก่แต่หลวงพ่อจำวัดให้ที่พ่อไก่จะมีพ่อไก่อยู่ข้าแล้วบางทีก็ มีงูอ่างูจงงูตรงงานเรื่องงูองูเห่าเขาไปโดนวันคืนนั้นอ่าคืงนั้นมันก็หลวงพ่อก็นอนอยู่นอนอยู่ตอนกลงคืนอัตมาก็นอนอยู่บนสาราใจหลวงพ่อก็เรียกขึ้นมาอ่าเรียกคุณตรงบุณตรงมาดูมันดูว่ามันเป็นอะไรหลวงพ่อก็เห็นงูฟอสองไปสายไปมูเห่านะสวนเท่าแขนนะมันก็หลวงพ่อก็พยายามที่จะไล่มันมาให้ไล่กันมันจะปลา กินไก่ก็จะมากินไข่กินไก่เนี้ยนะอ่าเราก็ช่ว ย, ช, วยนะช่วยกันไล่นะช่วกันไล่้็เราก็สังเกตเออหลวงพ่อเขไม่กลัวนะมูตัวใหญ่ที่มาอยู่ข้างหลวงพ่อมันนอนอยู่ข้างกันแล้วก็มาอยู่ในเท้าไก่เลยหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าอ อ, อยู่ด้วยกันนะหลวงพ่อก็ไล่มันออกไปนะหลวงพ่อก็ดูแลไก่อันนี้คื อ, อประสบการณ์ที่ ได้อยู่ได้เห็นสับหพ่ออ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ประทับใจนะผมประทับใจที่เวลาฉันข้ากับหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะมีความอาละเอียดอ่อนเนาะว่าจะดูว่าใครสันอะไรบ้างหลวงพ่อก็จะยื่นให้เวลาเราไม่ฉันผักหรือว่าอไม่กินผักอย่างนี้หลวงพ่อก็จะเพอ่มจได้ว่าอามักเสือพวงนะ ถ้า บ, contact, บ้านเท่าก็แข้งเนาะอกแข้งนนหลวงพ่อก็คกินผักแม่กินผักแมนจะได้กระด so mm ูก hmm. ดีกระดูกแข็งเนี่ยนะกระดูกแข็งดาีก็หลําตาโกงก็ได้เพราะว่เขาจะยืดให้เนาะก็ว่าให้สันผักหลวงพ่อก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องกรรมฐานด้วยหลวงพ่อก็จะควบคุมนะถือว่าหลวงพ่อก็มันกับพ่อกับแม่เราเิงนะ เวลาลูกต uh, uh, so yeah. uh, so ิดหรือว so okay. yeah. <laughs> <itarian collection> ่าลูกเป็นอะไรท่านท่านก็ลองดูแลเนาะเวลาดูการอยู่การกินดูจิตดูใจนะบางทีอาละวาอชั้นเสร็จนะพ่อไม่จะถามกินข้าวแซ่บบอเป็ดแซ่บแล้วครับหลวงพ่อพ่อจะถามมันกินข้าวแซ่บใ่ไหาจุ๊ดใไหมจุ อยบหลวงพ่อหลวงพ่อเขจะถามเลยนะกินข้าวแทบก็นอนรับก็หากินข้าวแทบนอนรับอะไรใดๆแต่สุขภาพดีสุขภาพเก่งดีหนะลวงพ่อเขจะสอบถามพวกเราอยู่ตลอดไม่ว่าลาวากหรือว่ายานะิโยมหลวงพ่อเขาจะใครได้สัมผัสกับหลวงพอ่อก็เหมือนคุณใจเนา ะ, ะไดะ้เห็นที่หลวงพอ่อ หรือว่าบางท่านน่ก็อาจจะแค่เห็นหรือว่าหลวงพ่อเขาไม่ได้พัดนี้ก็รู้สึกเออปลืม้มสุกมีความเป็นสิ่งยินดีขุนใจเย็นใจนะอยากจะเอออยู่กใกล้อยากจะสัมผัสหรือว่าอยากจะฟังธรรมะหลวงพ่อนะยิ่งหลวงพ่อสอนธรรมนี่โอ้ยยิ่งแบบว่าอ่าเหมือนกับว่าหลวงพ่อรู้ใจเราเนาะเวลาปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อเขจะเทศเทศ เวลาเทศตัวเทศรวมเวลาเราปฏิบัตินี่โอ้โหมันแบบว่าสวา่างไงนะแต่ว่าเป็นขัดขันนะเยอะเยอ ม, มันก บ, บว่าเราปฏิบัติสิ่งนี้นะ้วเฮ้ยอีกหน่อยเล้วพอก็เทศมันกันเราเราติดอยู่ตรงนี้แลพราะก็แก้ว่าเออมันจะไปแบบนี้นะทายแบบนี้นะทําใจแบบนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบนี้อย่างนี้มันก็เป็ น, ป น, ปนไปไปไปไป reported, ไปเรื่อยเรื่อยเรก็โอ้โหรู้สึกว่าเหมือนก็เทศในใจเราเลยอย่างนี้นะ โอแล้วก็มีความที่ถ้าปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจแต่ถ้าปฏิบัติยังไม่ถึงหรือว่าปฏิบัติยังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยอาจจะงงนะอาจจะงงเพราะว่าสภาวะจิตนะสภาวะจิตที่ ท, ที่ที่เห็นที่เห็นจริงนะที่เห็นจริงที่ประสบการณ์จริงนะสภาวะจริงนต่ที่หลวงพ่อเรียน หลวงปู่เราเราก็เขียนทั้งเราได้สอนมาอที่เป็นของจริงที่หลวงพ่อสอนเรามาเราก็พิสูจน์ได้นะเราก็พิสูจน์ได้หลวงพ่อจะสอนอยู่เสมอว่าอย่าอย่าเพิ่งเชื่อนะแล้วก็อย่าเพิ่งสะทีเสดนะให้ลองทําให้ลองทําำให้ลองทําดูก่อนว่ามันจริงไหมทําได้ไ้มพิสูจน์ได้นะถือว่าของจริงต้องพิสูจน์ได้นะโยมของจริงเนี่ยต้องพิสูจน์ได้ ถ้าของไม่จริงนะอาจจะเป็นเรื่องมคาถ า, าอะไรที่สุดไม่ได้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะบางทีแล้วส า, าวพุทธเราก็เชื่อเนะชื่อเรื่นี้มากเนาะแต่ว่าแต่เรื่องของจริงที่มันอ่าค้นทุกได้จริงหรือว่าทุกน้อยลงจริงเนี่ยอ่าเป็นของจริงแต่ว่าเราก็ไม่กล้าทเชื่อกันนะว่าส่วนมากเราก็คิดว่าเออเราก็ไม่ได้ทุกอะไรเราก็มีบ้านอยู่ยมี รถมีอาหารมาีการอยู่การกินก็สะดวกสบายดีก็ไม่เห็นทุก์อะไรเนาะแต่ว่าบางครั้งสภาพจิตใจที่เกิดขึ้นมาเนาะคนที่สูญเสียคนรักนะฮหรือว่ า, าพัฒพาจากคนรักหรือว่ า, าความพอใจหรือไม่พอใจสิ่งที่กระเข้ามากระทบในใจเราอันนี้เราอา เราอาจจะรู้ไม่เท่าทันแต่บางครั้งความโกรธนี่จะเห็นชัดเจนนะเวลาเราโกรธนี่เวลาเราโกรธบางคนก็รู้ทันก็รู้สึกว่าตัวเองโกรธก็หาทาองออกด้วยการมีสติหรือว่าจเจริญสติถ้าคนที่ไม่มีสติก็เข้าไปอยู่ในความโกรธนั้นนะก็กลายเป็นคนโกรธไปอ่างพ่อก็จะเทศอยู่เสมออ่อ ยังให้ปวดได้ก็ตัวเราเพราะเป็นตัวครูเี่เขกัป็นปวดเราครับพอเอ่อพอเศร้าเลยพอเศร้าเลยป่ะมาเอ่อเคล้ายว่าพอให้ปวดแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวครูนะเคล้ายว่าเอ่อไม่ลืมปวดแล้วก็ไม่ลืมตายก็ไม่ลืมอะมันก็ว่าคงจะไม่เผล่ขี้กันว่าอนาคตโกรธขนาดนั้นเลยนะอันนี้คือสภาวะจิงที่หลวงพ่อ ไดสอนเนาะให้พวกเราเห็นจริงๆนะไม่ได้เป็นสภาวะจริงในในในอารมณ์นะในอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานะอันนั้นมันไม่ได้จิตเดินแท้มันเป็นอารมณ์ที่มาเข้ามากระทบแต่ว่าเราจะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์นั้นหรือเปล่านะครับอถ้าเกิดเรารู้เท่าทันเราก็จะอ่าสามารถที่จะวางได้หรือว่าสามารถที่จะอ่าปล่อยวางได้ถ้า ไม่เห็นไม่มีสติอหรือว่าสติปอหรือว่าไม่เคยปฏิบัติเราก็จะเข้าไปในอารมณ์นั้นนะะอันนี้คือวิธีการปฏิบัติของหลวงปู่ที่สอนสอนพวกเรามาอันนี้อ่าถือว่าเราก็ยึดตัวได้เห็นได้เนานะอาตมาก็ไม่มีไม่มีปรูบาอาจารย์อื่นอีกเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ที่มาปฏิบัติทางนั้น ก็ไม่มีปฏิบัติวิธีแนวทางอื่นเลยแต่ว่าใครจะใครจะมาถามว่าเคยนั่งสมาธิได้ทานได้หอบหรือว่ามีหูที่ตาทิพอาตมาเขาบอกว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าอาตมารู้ว่าการปฏิบัติทำวิธีนี้คือคือให้ไม่มีทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงหรือว่าเอ่เรืงมื่อไหร่ที่มันมีความกล้งวลหรือว่ามีความทุกข์เนี่ยเราจะทํายังไง บานะงครั้งบางครั้งที่ตัวอาตมาเองเนี่ยทางานเยอะนะคะทํางานเยอะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เจดินสเต็ปกันเองก็ต้องเวลาเกิเดเรื่องขึ้นมาอตาตมาก็ขอเวลานิดหนึ่งสักชั่วโมงนะก็จะไปเดิ น, นะเดินเสเติเดิ น, ษษษษษเดนสจงอ่าหรือว่าอนั่งนั่งยกมือหรือว่านั่งภาวนานิดหนึ่งเพื่อ ให้สติขึ้นมากลับคืนขึ้นมาเพื่อจะได้ปล่อยวางหรือว่าคิดแค่ปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่งบางครั้งก็ปัญหาก็เกิดขึ้นมาถ้าเกิดบางครั้งเราก็เป็นตัวเป็นตนของเรานะฮะการที่จะดูแลพระหรือว่าอยู่กับญาติโยมอันนี้ก็คือว่าเราต้องหลวงพ่อเป็นแบบอย่างนะแบบอย่างให้อัตมาได้ดีมากนะ ก็จมาก็เห็นหลวงพ่อเนาะเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะหลวงพ่อก็จะนิ่งมากนะไม่มีกระทบกระเทือนนะใครจะว่าอะไรหลวงพ่อก็ไม่โกรธไม่โต้แยง้งจะยอมทุกอย่างนะก็ใครจะว่าอะไรแต่ตัวเราตัวเราได้ยินมาหรือว่าได้ฟังมาแบบนั้นมันก็ คิดแบบคนลงมงกับอหลวงพ่อนะเราก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าสมวพ่อไม่ใช่หลวงพ่อว่ามันทําอย่างนั้นไปได้เนาะหลวงพ่อบอกว่าเราก็ต้องแบบมีเมตตาจรุณาโมจิต า, ต า, โ, าโอเบกขาที่หลวงพ่อได้สอนพวกเราสอ น, นอาตมามาาอันนี้คือการที่เรได้สัมผัสอยู่กับหลวงพ่อ ที่ได้มาบริหารอยู่ที่วัดสุวรรณทองายในสามปีนี้สองตก็สิกว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนหลวพอ่อบรรมฐานอย่างเดียวหลวงพอ่อก็สอนอวิธีการอยู่กับผู้คนนะแล้วก็วิธีการที่จะวางกิจวางใจนะวางใจยังไงที่จะเจอปัญหานะสิ่งแวดลอ้อนมะทั้งภายในภายนอกนะ อันนี้ก็ย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปที่ตอนนั้นก็ก็จะมาก็าลาศกษาไปเนาะลาศกษาไปช่วงจากที่มาอยู่จำรรษากับหลวงพ่อปีสามเก้าสี่ศูนย์ก็ออกไปในปีหนึ่งนะและ้วก็ยังสงสัยในทางโลกอยู่ <c oughs> ก็เลยออกไปที่สวดตูปพออายสงสัยแล้วกลับมาใหม่ ปีห้าศูนย์ก็ได้กลับมาแต่ไม่รู้เวลาที่ต่อไปนะอัตมานึกถึงอยู่เสมอนะนึกถึงหลวงพ่ออยู่เสมอไม่เคยลืมนะทุกวันทุกปีที่ขาที่ที่ออกไปเนี่ยที่ราบศึกษาไปเนะี่ยอัตมาก็เห็นหลวงพ่ออยู่เสมอเลยนะไม่เคยลืมนะนึกถึงหน้าหลวงพ่ออยู่เสมอ ไม่ร uh, ู้เป mm ็นอะไรเหมือนกันนะอาตมาก็สงสัยสงสัยตัวเองอยู่ว่าเออคงจะมีความผูกพันอยู่กับหลวงพ่อก็คงจะได้กลับมาบวชหรือยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายก็กลับมาอังกินนะก็มาขอบวชกับหลวงพ่อนะมาก็อาตมาก็มาคนเดียวมาคนเดียวก่อนที่จะมาบวชนี่ก็ก็เป็นอาตมาก็ทําไล่ทานาแล้วก็ก็ถือว่าเออ ก็ถือว่ามีความสุขดีนะก็ไม่มีความทุกข์อะไรมากแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเบื่อเบือ่อบาั้งที่ทเพื่อนบางครั้งเพื่อนเรนก็ชวนไปชวนไปเที่ยวชวนไปกินเหล้าชวนไปเที่ยวเตะอะไรก็จะทำไปตามภาษานะแต่ว่าสมามันรู้สึกเบื่อนะก็เลยวันนั้นก็ได้ก็บอกโยมแม่งงว่าเออเดี๋ยวจะไปขอปฏิบัติธรรมสัก อ่าเดือนนะก็ได้กระเป๋าไปเดียวนะขึ้นมาเลยขึ้นมาที่วัดปัวทองขึ้นมาที่วัดป่าสุกโตอ่ะไม่อยู่ที่ป่าสุกโตอ่ะมาอยู่ที่ป่าสุกโตเดือนหนึ่งก็อ่าไมี่แก้วก็อ่าล้างถ้วยล้างชาด้วยไม่ที่แก้วเดือนหนึ่งเ้วก็อ่าก็ขอบวชอ่าก็เลยขอบวชกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อวันแรกที่ไปขอหลวงพ่อ หลวงพ่อก็นั่งอยู่ปกติกับอ่กับพระอาจารย์ตุ้นะครับหลวงพ่อก็ได oh. ้ก de ็ถามว่าถ้าบวดยั่ซึกครซึกยั่วปวดโอ้เอาไหนดีน้อเราก็อ่ะครับหลวงพ่อครับผมก็ได้นง้นหลวงพ่อบวชให้หลวงพ่อแล้วก็ได้ไปขอบวชหลวงพ่อด้นั้น หลวงพ่อพูดทำนี้แต่ทำนั้นแล้วก็มาคนเดียวอมาคนเดียวไม่ได้มีพ่อมีอ่าพ่อก็เสียไปนะเสียตอนที่ปีหนึ่งหรือปีสองอแม่ก็ไม่ได้มาเนาะมาถ้าาก็มาขอหลวงพ่อปวดพระอาจารย์ตุ้มหพระอาจารย์ตุ้มอยู่ข้างหลังถ้ามาก็เป็นแม่ถนะ้ามาถวายป่าถวายกีบอให้ัามามาคนเดียว วันนั้นมาคนเดียวมีกระเป๋าไปเดียวมาอยู่ของพ่อมาขออยู่ของพ่ออแม่ก็ไม่มีพี่ชายพี่สาวญาติก็ไม่มาสักคนขอปวดหลวงพ่อเลยอาจารตุ้มเป็นพ่อเป็นแม่ให้ของพ่อปวดให้ละมาก็โอ้สาบเป็นนะ ก, ก็นึกถึงบุญคุณอของหลวงพ่ออยู่เสมอนะฮะก็ได้ตอบแทนหลวงพ่อได้อที่มาอยู่ตรงนี้อที่มาทํางานให้หลวงพ่ออยู่ตรงนี้ก็นึกถึงบุญคุณหลวงพ่อนะั่นแหละ ทังกํามฐานด้วยทั้งทุกสิ่งทุกอย่างธรรมาที่มีจีวรหรือใส่รูปวันนี้ที่ได้บวชหรือรูปวันนี้ก็พอหลวงพอ่อเพราะว่าธรรมาก็ออกมาเมือเป่าวจริงๆไม่มีอะไรนั้นปุคคลถ้าญาติโยมที่บ้านเราถ้าจะบวชนี้ก็ต้องไม่ได้นะต้องมีพ่อแม่รับรองแล้วก็มีอจัดการจัดงานดังใหญ่ญาติพี่น้องมา ขอควา น, นะถึงจะได้ปวด น, นะแต่เราแต่ทำไมก็มาขอปวดแต่หลวพ่อแบบไม่มีอะไรเลยนะสตางค์ที่จะถวายพระอุปัชฌาย์ก็ไม่ได้ถวายที่จะถวายพระอันดับก็ไม่มีนะก็ถือว่าขอแจะแจมกับพระปวดเพราะนั้นปวดนี่รุ่นด้วยรุ่นร่วมกันสามรุ่ัแต่มาก็ขอปวดร่วมกอย่างด้วยนะ อาตมาก็อขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วกอาจารย์ตุ้มที่อช่วยเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็กล่าวหลวงปู่นะปฏิบัติหลวงปู่ก็ทุกอย่างนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่ได้อยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าถ้าไม่มีหลวงปู่แล้วอาตมาก็คงจะไม่ได้ปวดนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ มากราบสริระชสังกูตสังขารนงโกรก็จงมีความสุขมีมีได้มีทุกขอให้มีความสุขกายสบายใจทุกครั้งทุกคนเถ